กลับมากลับมาเที่ยวไปไกลๆครูเจ้าท่านสอน่ะร่างกายเป็นปูหาเป็นถ้าเป็นโพรงเป็นถ้าจิตอาศัยอยู่ข้างในแล้วจิตเนี้ยเที่ยวไปไกลเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีช่องที่ออกไปเที่ยวได้หกช่อง ส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทางใจคิดนอนคิดนี่ไปคิดแล้วรู้สึกตัวบ้างคิดแล้วไม่รู้สึกตัวบ้างอย่างร่อนเร่เที่ยวทางตาเที่ยวดูเที่ยวทางหูก็เที่ยวฟังอย่างข้างบ้านเราสามีพัญญาเขาคุยกันเสียงดังเราไม่ฟังนอนหูวันหนึ่งเขาเกิดพูดกันเบาๆเรา เราอยากเที่ยวทางหูนะเลือกของชาวบา้านชอบเนี่ยใจเราจะหนีเที่ยวนะตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่นี้ยเที่ยวทางตาแล้วเห็นคนเดินมานะี่แรกมันไปทางหูได้ยินเสียงก๊อกก๊ก๊อกใช่ไหมก็ไปทางใจไปทางตาไปทางใจเที่ยวตลอดวันโคจรนะจิตนี้โคจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำไงถึงจะตีก็เขาได้จะพ้นทุกข์กับเขาได้รู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจ้อยรู้สึกตัวเรื่อยๆรอบสองนี่ให้รู้สึกตัวยากกว่ารอบแรกนะเมื่อกี้ตอนไปกินข้าวต้องขาดสติแน่เลย <c oughs> <c oughs> ได้กินข้าวมีสติีันกะต่อ สมาธิมันส่งตัวต่อเนื่องแต่กินข้าวเราเพลิดเพลินคาสติแล้วเราไม่ชำนาญในสมาธิพอมันฟุ้งซ่านไปแล้วนะววามยเข้าที่นั่นใช้เวลาวันนี้เป็นวันทอดกรถินปีหนึ่งก็ทอดกันทีหนึ่งหลงพอ่อดีใจมากเลยที่ปีหนึ่งทอดทีหนึ่ง <laughs> บางวัดอยากให้ทอดทุกเดือนนะอยากวัดเราไม่ได้ลำบากอะไรพออยู่ได้โดยตัวเองนะหลงพอเทศพวกเราก็บริจาคเงินเลยมันบอรุงวัดก็พอค่าใช้ใจ่ายมันไม่ต้องลิ้นรนบางวัดนยะฝากอนา ค, คักพ้ไว้กับกฐินภาพ ป, ป่า บางวัดนะพระถึงขนาดต้องไปพิมพ์ซองกระถินซองพ้าป่าซึ่งอัมบัดนะทำไม่ได้หรอกถ้าไปวัดทั่วๆไปเขาคงลำบากมากขึ้นวัดเราไม่ลำบากวัดทั่วไปที่เขาเคยหากินกับการขายวัตถุมงคลเขาจะลำบากแต่ไปนี้ขายยากอานจะต้องขายใต้ดินแพงกว่เก้าอีก อยากได้วัตถุมงคลไหมจะให้วันนี้ไม่มีขายนะแต่ให้มีคนทําาเครื่องมาให้แจกอยู่เรื่อยหลวงพ่อต้องห้ามบอกเยี ม, ยมากเป็นทาร่าในการแจกแต่พวกเราเขาอดอยากได้วัตถุมงคลไม่ได้ไหนไหนก็มาทอดกริ่งแล้วก็จะให้วัตถุมงคลนะ อะไรจะเป็นมงคลกับเราบ้างวัตถุมงคลนะลมหายใจของเรานี่แหละเป็นวัตถุมงคลที่พิเศษที่สุดเลยนะลองหายใจสิรับรองไม่ตายห <c oughs> ยุดเมื่อไหร่ไม่มีมงคลแล้วอับะมงคลแล้วนะเข้าลงถ้าเราสามารถเจริญสตินะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ลมหายใจนั้นเป็นมงคลสำหรับเราแล้วเรามีสติมีสมาธิต่อไปก็เกิดปัญญาเห็นความจริงร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราวัตถุมงคลอื่นๆนะทำให้หนังเหนียวอยู่โยงโคงกับพันแคล้วคลาดเมตตามหานิยมอะไรต่ออะไรสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเราหายใจไปเรื่อยจิตใจเราสงบมีความสุข ใจิตใจที่สงบใจิตใจที่มีความสุขมันมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองสังเกตไหมครูบาอาจารย์ผู้เฒ่านะบางองค์แก่มากเลยอายุกเกือบร้อยหรือร้อยกว่าอะไรทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวนั่งบนรถเข็นอะไรอย่างงี้แต่เรายังอยากดูท่านเลยอยากเห็นอยากกราบอยากไหวอยากเข้าใกล้ไม่เรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วเรียกว่ามีอะไรจนะิคินแล้วธรรมะนั่นแหละมีสเสน่ห์ในตัวเองนะ ถ้าเราฝึกปฏิบัติต่อไปนี้มีลมหายใจเป็นวัตถุมงคลประจำตัวนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโพได้ยิ่งครั้งหนักเข้าไปใหญ่ต้องหลองเด็กนิดนึง <c oughs> ย่งผีจะมาเนี่ยผีจะหลอกเราเรามัวแต่ว่าวัตถุมงคลสู้มันไม่ทันพอผีมาเราตกใจ หายใจเข้าพุดหายใจออกโรเอาใจเราจับไว้ที่ลมผีจะเกือ่อเคินเพราะอะไรอุตส่าห์มาหลอกทั้งที่เราไม่สนใจเลยนะไม่ดูมัน เ, เห็นแต่ลมหายใจเข้าออกใจเราสงบใจเราสบายเวลาเราภาวนานะเทว ด, ดาเขานับถือนะเทว ด, ดาเขากนอนุมโมทนาเวลาจวนตัวขึ้นมาเนี่ย ถ้ากรรมไม่ตัดรอนจริงๆเทวดาช่วยเราเองเนี่ยอันเนี้ยมีตัวอย่างหลวพอ่อเจอมาเองเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมมีอคราวหนึ่งพักพวกกันที่ทีูทีมาชวนไปทอดกรถินวัดบ้านตากเราปกติหลวงพอ่อไม่เคยไปงานทอดกรินที่ไหนสักแห่งหนึ่งเลยนะที่ร่วมงานทอดกรินมากที่สุดก็ที่นี่แหละ <laughs> ดอื่นไม่ไปหรอกรู้สึกเจอบแย้จอแย้ไปเราตั้งหายใจของเราอยู่บ้านได้บุญเยอะกว่าอยู่เขาชวนไปไปบ้านตาไปเราก็รักหลวงตาเหมือนกันไปนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปสว่างที่บ้านตาจากบ้านตาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะทาพิธีเสร็จกินข้าว เสร็จี่ธีหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่กินข้าวเสร็จแล้วล่ ะ, ะตอนกันขึ้นรถตู้ต่ไอไปโน่นวิ่งไปทั้งวันเลยวิ่งมาทั้งคืนแล้วนะวิ่งไปทั้งวันอีกไปอยู่ภูสิงห์ภูสิงห์แถวเมืองการแถวภูทอกเลยใกล้ใกล้กัน <c oughs> นั่งรถทั้งวันทั้งคืนนะแล้วนั่งตรงลูกล้อรถตู้ต้องยกขาไว้ข้างหนึ่งปรากฏว่า พอไปถึงภูสิงเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้นะกล้ามเนื้ออักเสบใครเคยเป็นกล้ามเนื้ออักเสบบ้างมีบ้างไหมถ้าแก่ๆเนอะก็จะเป็นบ่อยนะที่ยกมือเพ่อพิจารณาตัวเองนะเด็กๆไม่ค่อยเป็นหรอกล้ามเนื้ออักเสบครูบาอาจารย์ที่นั่นเคยเห็นหน้าหลวงพ่อนะจัดติดแคอยู่ติดละ ขึ้นเขาขึ้นเขาไปหน่อยคนอื่นที่ไปด้วยกันอยู่ศาลา ร, ารวมๆกันอยู่ท่านรู้ว่าเราภาวนา้วเราขึ้นไปอยู่ที่ศาลาใ้ที่กุฏิกลางคื น, นโอยปวดมากเลยพาราสักเม้นหนึ่งก็ไม่มีนั่งตรงๆก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นอนยังปวดเลยนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนะ่ะอริยาปวดเดียวที่อยู่ได้คือตะแคง เอียงอยู่ท่านเนี่ยแล้วเรารู้ต่อไปอีกว่าถึงเช้าเมื่อไหร่นะต้องพิการมากกว่าเดิมนะเราไม่มีอะไรช่วยตัวเองเลยนะตอนนั้นมาทำใจให้สบายหา ย, หายใจหายใจหายใจหายใจนะแล้วก็นึกถึงเทวดาครูบาอาจารย์เคยบอกว่าแถวเนี้ยเทยวดาเยอะถ้าจวนตัวขึ้นมาท่านก็ช่วยได้เหมือนกันถ้าเรามีบุญนะถ้าถ้ามีกรรมตัดรอนนะ ท่านก็ช่วยไม่ไหวยิ่งถ้าเราชั่วเนี่นะท่านไม่อยากมาช่วยท่านหมินทนไม่ได้นะเทวดาเนี่ยเคยไปทูนพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เนี่ยหมินหนึ่งร้อยโยชน์คือหนึ่งพันหกร้อยกิโลมนุษย์อยู่เชียงรายเทวดาอยู่ยะรายัางหมิ่นเลยเหมาะฉะนั้นมนุษย์เทวดานี่ไม่เข้าใกล้มนุษย์ยกเว้นมนุษย์มีศีล ม, มนุษย์มีศีลเนี่ย กระแสะของศีมันหอมเทวดาหอมชื่นใจเทวดาชอบคนปฏิบัตินี่หลวงพ่อก็นึกถึงเทวดาวนะ่าเทวดาในผูสิง์ก็มีนะมีฤทธิ์ด้วยผูบาทจาร์เคยเล่าให้ฟังตอนนี้เราจวนตัวแนละ้วถ้าเรายังมีบุญอยู่ก็ขอให้ช่วยเราหน่อยเถอะอริยตาร า, าสักเมตยังหาไม่ได้เลย มาอธิษฐานจบปุ๊บนะหลวงพ่อมีตะเกียงแบตเตรอรี่เป็นโคมไฟนะใช้ท่านชายๆอ <c oughs> ีดวงเล็กๆตั้งเรานั่งตัวเอยียงๆอที่ฐานเสร็จปุ๊บตะเกียงเนี่ยสว่างวา่าขึ้นมาเลยนะไม่ใช่หลอดขาดนะสว่างวา่วาฟื้นว่าขึ้นมาสองทีนะเราก็ประหลาดใจเอ้ยตะเกียงเป็นอะไร ไปหยิบไปเกียงขึ้มาดูไม่เห็นได้เป็นไหลเลยแล้วก็เพิ่งนึกได้ไว่าตัวตรงแล้วตัวนั่งตรงๆได้แล้วหายปวดเลยนะหายทันทีเลยเนี่ยวันนี้เทศอย่างนี้ก็ต้องเทศสไตลนี้นะ<ส><ส><ส>ทำไมเทวดาช่วยเพราะหลวงพ่อมีวัตถุมงคล หายใจเข้าพุทหายใจออกโธลมหายใจเป็นวัตถุอย่างหนึ่งนะหายใจสิลองหายใจไปจะได้คลังจดตัวขึ้นมานะตกใจกลัวอะไรขึ้นมาหายใจไปมีอะไรเกิดขึ้นหายใจไปเมื่อใจเรามีสมาธิใจเรามีบุญมีสมาธินะบางทีจนตัวจริงๆเทวดาก็ช่วยได้ สอนเรื่องเทวดาไม่ใช่นอกศาสนาพุทธนะเพราะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เอาเทวดาเป็นสาระนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีบางคนบอกศาสนาพุทธต้องไม่มีเทวดาอ้นั้นวิชฉาทิฏฐิโอปปปาติกะมีพระพุทธเจ้าสอนโอปปาติกาสัตว์ที่เกิดขึ้นมาปุ๊บก็โตเลยเกิดด้วยจิตมีไม่ใช่ไม่มีนาคบางตระกูลนะเป็นโอปปปาติกะไม่ต้องออกใครนะ เกิดมาแบบเทวดาเลยเกิดผุดปุ๊บขึ้นมานะพญานาคก็มีไม่ใช่ไม่มีเงือนเทวดาก็มีที่ท่านไม่เอาเทวดาเป็นสรณะเอาเพราะว่าสรณะหมายถึงเป็นที่ฝากเป็นฝากตายเพื่อจะ พ, นพ้นทะุกข์ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยนะเมื่อไร่ใจเราเข้าถึงธรรมะนะใจเราจะเป็นพระสงฆ์ จะบวชหรืชจะไม่บวชเราก็เป็นพระสงฆ์นะ้เป็นสาวกนะใครสวดได้บทนี้สุปฏิปันโนพระคัมโตสาวกสังโฆสวดได้ไหมใครสวดไม่ได้ยกมือสีจะได้ประนามประนามเป็นภาษาโบราณเพราว่านอบน้อมยอดมนุษย์เนะี <c oughs> ย่ยเรื่องนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามประนามเพว่านอบน้อม สุปติปันโนพระพุทธโตสาวกสังโฆสาวกสังโขนะสาวกของพระพุทธเจ้าได้แก่อะไรนะผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นะับเปี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษสี่ผู้คืออะไรโสดามารสดาผลสกทาคามรสกดาคาผ ล, ลนาค า, า traz, มีมรนาคามีผลอนัตตมรณาตตผลถ้าเรียกย่อดๆก็มีสี่ หรือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์คนที่เป็นสาว ก, กคือคนสี่จำพวกนี้ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้บอกว่ามาบวชเป็นพระหรือไม่เป็นพระนะั้นพวกเราเนี่ยจะเป็นสุปฏิปันโนพรคาว่าโตสาวกสังโฆก็ได้ระวาดเนี่ยไม่ต้องบวชในขณะที่พระที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่สาวกสังโฆ ี่งเป็นปุถุชนอยู่เงี้ยไม่ใช่สาวกระสังคมเพราะไม่เข้าวงประกอบบุคคลสี่เจ็พวกนั้นเป็นปุถุชนแต่ว่าเรียกว่าพระโดยสมมุติเรียกว่าสมมุติสง์นะเพราะงั้นพวกเราอาจจะไม่ต้องบวชแต่ถ้าใจเราเป็นพระนะใจเราก็เป็นพระสงฆ์ขึ้นมายิ่งถ้าเราพานาไปจนเต็มภูมินะเป็นพระสงฆ์เต็มที่เลยนะ อย่างคารวาสอย่างสุวรราวาสภาวนานะจนถึงพระรหันะ จ, จิตก็เป็นพระสงค์นะ จ, จิตกระทราราจจรําก็รวมเข้าด้วยกันจิตกับพระพุทธเจ้าก็รวมเข้าด้วยกันตรงนี้เป็นเรื่องอัศาจรรย์มากเลย จ, จิตกระทำรวมเข้าด้วยกัน จ, จิตกับพระพุทธเจ้าก็รวมเข้าด้วยกันเวลาที่จิตกับพระพุทธเจ้าจะรวมเข้าด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แบบถอดล่างออกมาแล้วไปรวมกับพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะ นั่นเป็นเดรัจฉนะีเดรัจฉีไม่ใช่คำตัวถูกเดรัจฉีเพราะว่าท่าน้ำอื่นอื่นมันยากเดรัจฉีท่าน้ำอื่นอื่นคนละท่าน้ํากันนะเนี่ยงเราจะไปสิรีราชเราต้องไปลงท่านี้นะเราไปจะมาสิริราชกเป็ลงเรือที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็พเพี้ยนไปหน่อยนะกนะนะ็ต้องลงให้ถูกท่า เดีค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตไปถ้าภาวนาถูกหลักแล้วใจเรากับพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นอันเดียวกันเวลาใจกับพระพุทธจะรวมกันจ <c oughs> ิตมันจะผ่านการพิจารณา น, นิดนึงมันจะดูว่าพระพุทธเจ้ากับเราเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันที่ไหนเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณเราไม่มี พระพ yes. ุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณเราไม่มีมีไม่เท่าพระพุทธเจ้ามีบริสุทธิ์ที่คุณเรามีสาวกเนี่ยบริสุทธิ์ได้เท่าพระพุทธเจ้านะสิ่งเดียวที่เท่าพระพุทธเจ้าได้คือความบริสุทธิ์เท่านั้นเองพอพิจารณาไปถึงว่าจิตที่มีความบริสุทธิ์นะกับพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเสมอกันจะรวมเข้าด้วยกันในความรู้สึกเนี่ยจะรวมเป็นนันเดียวกันขึ้นมาอย่างที่หลวงตาท่านเคยเล่านะ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นนันเดียวกันเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปในได้ของดีของวิเศษนะเราไม่ได้ไปต้องไปกราบไหว้บนบานสารกล่าวอะไรพอให้ภาวนาดีอันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธไม่มีศาสนาอื่นเลยมพพพีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเองก็มีพระธรรมเป็นศาสนาตัวท่านเป็นพระพุทธเจ้านะท่านยังมีธรรมเป็นศาสนา ไม่ได้เอาเทวดาอินทรมที่ไหนมาเป็นเพราะว่าท่าน้นสูงกว่าั้นเราฝึกตัวเเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นลำดับลาดับไปอันนี้สำหรับคนซึ่ขยันภาวนาคนที่ไม่แวกขยันภาวนาก็ทำบุญไปสะสมบุญบารมีไปการทำบุญจะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ยขึ้นกับหลายเงื่อนไขเหมือนเราอยากปลูกมะม่วง สับต้นหนึ่งนะมีพื้นที่จะปลูกมะม่วงมีเม็ดมะม่วงอยู่จะหาที่ปลูกอ่ในวัดเนี่ยที่กว้างๆจะหาที่ปลูกอันแรกเราดูก่อนมะม่วงนั้นพันดีพอกองไม่ปลูกมะม่วงกะลอนมะม่วงขี้นกมะม่วงกะเลวเวลาอะไรพกนั้นนะเสียเวลาไม่น่ากินรู้จักเลือก มเมล็ดพันธุ์ที่ดีรู้จักใส่ใจดูแลรู้จักเลือกที่ดินเลือกที่ดินนี้เราเลือกไปแล้วที่ตัเนี้เหมาะกับมะม่วงที่ตรงนี้เหมาะกับการปลูกพืชแล้วเราก็ปลูกลงไปมเมล็ดพันธุ์เราก็ดีเราใส่ใจเราคอยดูแลมีเจตนาที่แน่วแน่อยู่ตลอดเวลาในการดูแลต้นมะม่วง จากต้นมะม่วงเม็ดมะม่วงเม็ดเดียวเนะี่ยก็กลายเป็นต้นมะม่วงใหญ่ๆออกลูกมาเยอะแยะเลยบุญนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฉลาดนะมันเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงเราลงทุนแค่เนี้ยหนึ่งเม็ดเนี่ยสิ่งที่เราได้มามากมายเคยได้ยินไหมว่าอย่างทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญเป็นแสนแสนเท่าเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายดูแล้วไม่มีเหตุผลทําไม พระหลอกสีพระจะกินเองแล้วบอกว่าทาบุญกับพระแล้วได้บุญเยอะนะพราหลอกนม่คิดขนาดนั้นนะสมัยที่เจอพระไม่ดีเยอะๆตอนวัยรุ่นไม่นับถือหรอก <c oughs> ที่จริงแล้วมันก็คือเหมือนเราปลูกต้นไม้แหละแทนดินที่ดีก็คือเนื้อนาบุญที่ดีนะจะให้ผลที่ดีคลตอบแทนจะเยอะ เนื้อนาบุญที่เลวคนตับแทนก็ไม่ค่อยจะมีหรือปลูกลงไปตายเปล่าขาดทุนนะบางคนไปทําบุญบางที่เนี่ยไม่ได้บุญหรอกได้อาภูตนมาอย่างขายบ้านไปทําบุญนะเขาระดมทุนกันขายบ้านไปทําบุญอะไรเงี้จิตใจห่อเหี่ยวจิตใจเศร้าหมองนะบุญอันนี้ไม่เต็มนะบุญจะเต็มเนี่ยจิตเจตนาของเราต้องดีทั้งสามกาละก่อนทํา มีศรัทธาระหว่างทรมีความปราบปลื้มใจทำแล้วนึกถึงทีไรก็ปราบปลื้มใจทุกทีถ้าตอนทำกระดิกระดาตอนก่อนทำโลภอยากได้บุญเยอะๆระหว่างทำได้หน้าได้ตามีคนมาดนะูทำเสร็จแล้วกลับบ้านง่อยเลยสามีเตะเอาบ้านไปขายเอายวาพระไปแล้วอะไรเงี้ยนะบุญตกบุญอย่างนี้ก็ต้องกับแย้คล้ายๆดูแลต้นมะม่วงไม่ดีนะ จัดการไม่ดีบริหารจัดการไม่ดีบุญก็ไม่เต็มหนอกเมล็ดพันธุท์ที่ดีก็เหมือนว่าถ้าเราจะทํา ท, ทานทานของเราต้องบริสุทธิ์ไปโกงเข้ามาไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเป็นคนจนถึงไม่มีเงินเลยเนะี่ยเราก็อนุโมทนาที่คนอื่นเขาทาเราได้บุญนะเราเห็นคนอื่นเขาทาความดีเราดีใจโง้มีคนดีจําได้ไหมเมื่อตุลาปีกลายเนะี้ย พวกเราในขณะที่เศร้าโศกนะพวกเราก็มีอะไรที่ปลื้มใจมากมายนึกออกไหมตอนนั้นมีกระแสทําดีเพื่อพ่อนึกออกหรือเปล่าแต่และ ว, วันมีข่าวทุกคนทําความดีเนี่ยเราได้ยินเราได้ฟังเราปลื้มไหมนั่นแหละเราได้บุญเราได้บุญแต่ต่อมาคุณหญิงคุณนายไปสังคมสงเคราะห์อะไรอนยะ่างเงี้ยก็จ้างหนังสือพิมพ์มาลงข่าวเราไปอ่านนะเฉยเฉยเฉยไม่ค่อยได้บุญ แม่อุโมทนาด้วยไม่ได้บุญเพราั้นบุญไม่จำเป็นต้องเสียสตังนะถ้าไม่มีสตังก็ไม่ต้องเสียบุญที่ไม่เสียสตังเนี่ยเยอะกว่าบุญที่เสียสตังซีมีศีลก็ไม่ได้บุญแล้วนะมีสมาธิก็ได้บุญเจริญปัญญาได้บุญที่สุดนะงั้นไหนๆมาทําบุญที่วัดนี้เราก็ต้องเอาของดีไปเดี๋ยวทาบุญแค่ว่า เอาละได้รับข่าวลือว่าวัด น, นี้พระสุปฏิปันโนข่าวลือจริงเปล่าก็ไม่รู้เขาลือครูบาอาจารย์ท่านเคยบ่นเรื่อยเร่อยคนชอบมาตั้งท่านเป็นพระลหันนะมีคนไปถามหลวงปู่วัดพระบาทตักผ้าครูบาพรมจั์ว่าท่านเป็นพระลรหันเหรอ <นะ S 1> ท่านบอกเราเป็นพระลรหันที่หนังสือพิมพ์โลกทิ่ตั้งให้มีเซอร์ติฟิเคบอกว่าท่านเป็นพระหัน มีคนไปถามบอพว่าเกษมเขมโกว่าท่านเป็นพระอรหันตเจ้าเหรอบอกท่านเป็นพระอรหันต์ตาหันต า, ตาตาท่านเนี่ยหันไปหันมาอไปเชื่อเข่าลือไม่ได้นะเชื่อเข่าลือไม่ได้งั้นถ้าอยากได้บุตรจริงๆนะฟังใจให้ดีอย่างเราจะใส่บาตรเนเราใส่บาตรไป นึ้ก็จะได้บุญเยอะเสร็จแล้วก็เกิดระแวงพ้าจริงหรือปลอมก็ไม่รู้บุญเราหายแล้วนะเราตกแล้วเวลาใส่บาตรเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องพราดีพระเลวนะวางใจให้ถูกว่าเราขอถวายสังฆทานอาหารหนึ่งทัพีเนี่ยขอทำเป็นสังฆทานถวายแกหมูสงศนะ์สาวกของพระพุทธเจ้าใครแอบเอาไปกินไม่เกี่ยวกับเรานะแต่บุญเราเต็มแนละ เนี่ยต้องรู้จักวางใจต้องมีความฉลาดมัก็จะได้บุญเยอะถ้าไม่รู้จักความฉลาดได้บุญเด็กน้อยวันนี้ไม่มีตรวจกันบ้านให้ไปตรวจตัวเองใครที่ภาวนาหัดตรวจกันบ้านตัวเองบ้างไม่ต้องมาให้หลวงพ่อดูให้จิตหนูเป็นยังไงคะบอกให้แล้วหนูเห็นหรือเปล่าถ้าบอกแล้วหนูไม่เห็นไม่มีประโยชน์อะไรเลย นะยิ่งฝึกยิ่งอ่อนแอยิ่พึ่งคนอื่นใช้ไม่ได้นะงั้นตรวจกันบ้านตัวเองสังเกตไปการปฏิบัติของเราชว่วงนี้ดีขึ้นหรือเร็วลงเครื่องวัดว่าดีขึ้นหรือเร็วลงสติเราดีขึ้นไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมหรือหนีทั้งวันเราเห็นไหมว่ากายกับใจในโคนละอันกันเห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจก็โคละอันกันเห็นไหมว่าร่างกายความรู้สึกจิตใจ ส่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างทําหน้าที่จิตใจทําหน้าที่รู้ตัวที่ประกอบจิตเช่นเจตสิกก็ทําหน้าที่ของมันรลกก็ทําหน้าที่ของโลกโกรยก็ทําหน้าที่ของโกรย์ความสุขก็ทําหน้าที่ของความสุขความทุกข์ก็ทําหน้าที่ของความทุกข์อย่างบางคนชีวิตมีความสุขนะแล้วอยู่ไปช่วงหนึ่งความสุขหายไปชีวิตมีปัญหาโอดครวญ รู้สึกความสุขไม่ดีเลยความสุขหายไปแล้วความสุขได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วเขาจบหน้าที่ของเขาแล้วอย่าบางทีเราแต่งงานนะไอยู่กับคนนี้มีความสุขนะวันนี้คือไปอยู่กับคนอื่นนะเนี่ยบางคนแค้นมากเลยนะลืมนึกไปว่าเขาเคยให้ความสุขกับเรานะเราอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขแต่ตอนนี้พอเขาไม่ให้เราเขาเคยให้แล้วเขาไม่ให้เราโปรดเลยเนะนี่ยเห็นแก่ตัวเพราะงั้นถ้าเขาจะไปนะ รีบตรวจน้ำาทุกต่างคนต่างไปดีๆอยู่ที่จิตนะจิตที่ฉลาดเนี่ยหาบุญใส่ตัวเองได้ตลอดเวลาจิตที่โง่ก็หาบาปใส่ตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะั้นผู้ใดฉลาดในจิตของตนนะว่านั่นจะพ้นจากทุกนะฉลาดในจิตของตนเองนั่นจะพ้นจากทุกได้ผู้ใดโง่เราในจิตตนเองไม่พ้นทุกหรอก ต่อไปได้เวลาจะทอดกระถิ่นนะทอดทอดเรจะได้เลิกเอาเชิญป่ายัดเวทีเห็นไหมมันเหมือนละครไหมต้องจัดเวทีหลวงพ่อบอกว่าเป็นเวลาทอดกระถินไม่ใช่เวลาเลิกปฏิบัตินะ <S <S 2> <S 2> เล่นเลิกปฏิบัติหมดเลยกระทั้งหมอมอนสรุปยอดกระถินนะเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนทีนะครับห้าล้า น, น, น, น, น เก้าแสนเก้าหมืสามพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์ขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านครับต่อไปนะครับจะเป็นการเริ่มพิธีถวกรินนะครับขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตไตยพร้อมกันครับ อรังสัมมาสัมพุทโธภาคะว ะ, ว ะ, หหวะวโกทัมภะาวะตังอะภิวะเทมิตรสวาขาโมภะคะวะตางธมโม สุปาติปันโนภาคาวะโทสาวาปัญโทสังทามณามิตรขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาสิ่งพร้อมกันครับมะยางพันเตวีซุงวีซุงราคาณาพยะ ตสารเนนสหาปัญจศีลานียาจามาดุติยมปิมายางพันเตวิสุวิสุงระกทานาทายติสารเนนสหปัญจศีลานียาจามาตานิยมปิมายางพันเต วิสุวิสุระอนาคามีตสารเนน a สหาัสิรานิยามานะโมตัสสะพะควตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะควตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 พุทธังสรนังคชามีพทธังสารนังคาชามีอามังสรนังคชามอมังสารนังคชามีสังังสรนังคชามสัสารนังคชามตุติยมปีพุทธังสรนังคาชามีตุติยมปีพุทธังสารนังคชามิ ตุติยมปีธรรมังสรนังคชามพตุติยมปีธรรมังสารนังคชามีตุติยมปีสังขังสารนังคชามีตุติยมปีสังังสารนังคชามีตติยมปีพุทธังสรนังคชามตติยมปีพุทธังสารังคาชามี ตาติยมปีธรรมังสรนังคชามีตาติยมปีธรรมังสารนังคาชามีตาติยมปีสังขังสรนังคาชามตาติยมตีสังังสรนังคาชามีติสารณังขมานังนิติตังปะรคันเตปปานาติปตาเวรมะนีสิกาปังสมาธิยามี ติณัฏเวรมณีสิกขาปัทสมาทิยามิอ่าิณัาฐานาเวรมะีสิกขาปัทภสมาทิยามิิณัฏนเวรมะนีสิกขาปัทภสมาทิยามิกามสุมิชชาตาราเวรมะีสิกขาปัทภสมาทิยามิ เวรมณีสิกขาปทังสมาธยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมายามิสุราเมรยมชาปมาดธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธียามิ เวกานิสิกาปทานสมานิยากมีอีมานิปัญจสิกาปธานีสีเลนะสุขติงยันตีสีเรนะโพคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตาสมาสีลังวิโสทัพเ ย, ย, ยในโอกาสนี้นะครับ พวกเราขอโอกาสหลพ่อรักษาสงฆ์เนื่องด้วยพวกเรายัางขาดสติผาทางอาจเคยล่วงเกินต่อพารัตนาไตายจึงขอโอกาสนี้ขอขามาต่อพารัตนาไตายครับเจอทุท่านตั้งน้ำโมพร้อมกันครับนะโมทสะภะตอะระหะโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะวะโตรหะโตสัมมาสัามพุทธัสสะ นะโมท a สสะวะโมทัน <elaborate> ์โมสมมาสมุทัสสะรัตตานาเยปะมานะเจ้าวารัตเตเยนะตาตังสรรพอภาะะมตุเรัตาเยะาเวารัตเนะตต สัพพะอปาระธรสมารตุโนกันเน ต, เมมเรตเพระธนตเยปะมาเมนะภาวะระตตเยนะตาสัพพะอภาระธรรมารตุโนกันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาททางร่วงเกิดต่อพระอานทนาตายมันมีพระพุทธเจ้า พระองค์พระบิดาพระเจ้าพระธรรมพระโพธิสัตว์พระสงฆ์สาวกเทพองค์เทวดาพ่อแม่ผูอาดั่งถ้าคผู้มีพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนวิดามานาจะคุ้ชาติพรบไม่ว่าจะกระทำด้วยการ วาจาหรือใจจักด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงกาขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาโอดโทษล่วงเกินเหล่านั้นแก่อาพเาทั้งหายอย่าได้เป็นที่ปรกจับอย่าได้ติดการผ่านผลและ่องความสำรวมระวา และเพื่อความสุขความเจริญทัานผานโลกผ่านธรรมของพระพจน์สายไนยาตออไปเอวังโฮตุเอวังโฮตูโยจะบุพเพปรมัจฉิตวาปัจฉาโซนปรมัจติโซมังโลกังปพาเซติอภ า, ามุตโตวจันติมา ยะสะปาปังกัสังค์มังกุสเลนาปะฮิยติโสมังโลกังปะพาเซตีอัพภามุตโตวจันธิมาอาภิวาธนาสีลิสนิตยังุทธาปจาิโนจตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะลัง เวลาอันสมล้วนะครับพวกเราจะถวายจตหินพร้อมกันครับเพื่อนอมบูชาต่อพระรัตนตยและเพื่อถวายกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุทธเดชขอทุกท่านกล่าวคําถวายจตหินพร้อมกันตั้งน้โมพร้อมกันครับน้โมาาอมซาอภภาวตอาระตะโตสมาจัมุะระส า, าน้โม วโอะระโสมาสะพุตัสสังนโมตัสสังพักวะโตอะระโตสะมาสะพุตัสสอิมังพันเดสัปาริวารังกาทินติวารตุสังสังทาสาังโอนชยามะสาบุโนพันเดสังโกอมา สัปาริวารากาทินาทูสางปาติคันหาตูปาติคาเหตนวาจาทีมีนาทุเสนากาทินาอัตาราุอมหาการทีคาราตังสิงหยาสุขายาถ้าแต่พระส์ผู้เจริญถ้าพระเจา้าท้งหลาย ขอน้อมถวายท่าอาทินดีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆขอพระสง์โปรดรับท่ากาทินะของบริวารเหล่านี้เมื่อรับแล้วโปรดการอ า, รารทินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตาสกาลัเถิดอีดานิโคพันเตอีมังสปริวัตังกินานุสังสังขสักดินาตารากาเรยวาอุปนังอีเรเสจกาเรยวาอุปนเณนานุเสนาิารปสังุทาังิังภะวตานุญญาโตเยนอาังขมานสสังสัญจัิสันติ อานามัตตาจารุสมาดาณาจารุขโพชนางยาวาดาตาจิวระโยตตาจิวระุปปารุโสเนสังภวิสติจะตุสุปิหมันทีเกสุมาเสสุจิวระกาโรมนทีกตโตภวิสติอิดาเนปนสังโฆอักังขติโตินัตถารังาหัง สุโคพันเตกธินัฐาโลภะกวตาภุกราซาทารวาเซเนวันุญญาโตนัญตระภุกราซาทาตาตตังโพติกธินันติหิวตังภะวตาณสังโววะกโวากธินังอัารติสังคสัจคณาสัจสมิธิภุราเซวะทารา สังฆสัปปิข p ะสัปปิทศเสวะปุคราสัปปิอัตถังโหติกัตินังอิดานิเกษมังกัตินาดุจังดัสามากัตินังอัถาริตุงโยชินนาจิวโ a วาตุ布拉จิวโรวาโยอาปนาอุสหิตาเจวติวกรรมติรากรรมังนิธาเปตวาสปวิทานังอเปหาเปตวากัตินังอัถาริตุงสมัทโธปวิสติสัมา สัพพะมหันตโกบังอุสุตโตธรรมัโรวินัยาธโรสัพพรมัจจารีนังสั้นดัสโกสมาณะปโกสมุติเชโกสัมปังสัโกลาหุนังอาจริโยอุตวาโอวาทโกอนุสาสโกสมัทโทจะตังดังวินัยยากรรมังอวิโกเปตวากัตินังทัาริตุมัญญามหาเมวังสัมโยยังสั้งโกอิมังสัพพริวารังกัตินาดุสังอิยสัมมโตสาวรธรรมาสานตัจโม อาสมิงกติลังอัถรันเตสัพยังสังโคสม a เดว a รูโมติสติอายะสมะโต s าล a ธรรมาเซวะอิมังสัปภะริวารังกตินาดุสังดาตุงรูจติวานโอวาสัปปสีมาสาสังคาส y ยดีอายะสมะโตซาล a ธร a มาสะ Imang sa pari warang katinadusang datung sabhasima sasang k a s a r u j a t i satu h e n t e s a n g ko imang katinadus a pari waraputang bijiwarang wasa wasi kati kaya a k a i etwa ayasamato salathamasewa imina apalokanena d a a t u katinadusang pana apalokanena iya manam p i n a r u j a t i สะสตังอิดานิยติดุติเยนะกัมินาอคุเบนาธานาระหีนาอายสมัโตสัลตัมมาสเดมาติกามสนิทธานังกรูตูเดี๋ยวตั้งใจรับอ่อนนะยะาวาริวาหะุราปริปุเรติสักลัง เปวะเมวะยิโตตินังเปตนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิตตตุสัพเพบุเรตุสังกปาจันโทปนารโสยตามานิโสตินารโสยตาสัพพีติโอวิวัจันตุ สัพะโรภวินัสตมาเทบาวันตาระโยสุขายพะวอวตนสิเสตทพายงจัตตารุมาวาทันติอายุวันสุขังา ท่าทันตีสาปัญญาว่าทังโยวินอามะจาราอานาเทินดังอริยสุโอชุปเสุตามิสุตเวิปัสสนมนาตัสสาวิปุราโพติกินาเยตตานุโมทันติเวียวะจังการอนิวา นาเตนะทากินาโอนเตปิปุญญสาวาคินโออาสมาทัตเถ p ปปิวานจิตโตทยาถาดินังมาภาลังปุญญาลิปะนโลปัสสัมิงปาติท นดังปุญญาเกเทอโน พิพาทะยังสุพังบาลังสิริอายุจาวันโยจ่าโพพังโวติแตยะสวาสะทาวาสะอายุจติวาสิทิพาวันตูเตอาวะตุสาพมังค์ลังราคันตุสาพเดวตา สัพพุทธาทุพาเวนาสาธติพะวันตุเตภวตุสาพมังคารังรากขันตุสัพเทวตาคือพะมาทุพาเวนาสาธติพะวันตุเตอ น ต, ตุ ส, ต ส, ต star, สนนัพพะเดวะตาสัพพสังฆานุภาเวนาสะกาโสทีภาวันตุเตเสร็จเสร็จพิธีนะที่จริงพิธีมันไม่มีอะไรมากครับเอาผ้าฝืนหนึ่งมาถวายก็จบละ นี่หลังๆพวกเราก็แถมเคงบริวารกระตีนมาทอดกระตีนบ้านหลวงพ่อสบายใจอย่างนึ้นนะมีภาพฝืนเดียวเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่รีดไถอะไรนะปีนี้เจ้าภาพหลักก็คือโชยีนะ่ครับครอบครัวดรอกเตร์องด็อะไร์อเเนี่ยก็ขออนุโมทนาด้วยนะจองอมากี่ปีเนี่ยนะ เกือบสิบปีนะจองไว้ <c oughs> นี่เราทอดให้หยุดไว้เพราะว่ามีจองไปถึงปีเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เลยบอกเอาแค่นี้ก่อนอะใครอยากทอดก็ามารวมๆกันทอดกันแล้วกันนะมันได้บุญเยอะกว่าทำคนเดียวนะ <c oughs> บุญทำคนเดียวมันก็ได้ตัวคนเดียวบุญทำเป็นทีมทุกคนมีบุญด้วยกันมันเหมือนเราจุดเทียนคนละเล่มรวมๆแล้วแสงสว่างมันมาก ดันะงนั้นบุญใดที่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่มีความเห็นแก่ตัวอะไรเนะี่ยเป็นบุญที่ดีบางคนทำบุญแล้วเพราะใจแคบกลัวคนอื่นเขาได้บุญด้วยโพ อ, อย่างนั้นได้บุญน้อย <c oughs> กิลดดเลสแรงอาละถัดไปก็จบแล้วละ่ะชนตัอไปเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องไปกลางกระถินอย่าลืมของวิเศษที่ให้ไปนะ วัตถุมงคลของเราพ่อครังนะ <c oughs>